ท่านครับอวันนี้ผมรับปริญญานะครับอ้าวเหรอเป็นบัณฑิตแล้วเหรอครับยินดีด้วยนะยิ่งขอบคุณครับอยากได้อะไรล่ะถ้าจะซื้อของขวัญให้ผมเลยฮะอือบอกมาอยากได้อะไรเดี๋ยว ว, ว่างๆฉันจะไปดูให้อะไรก็ได้ครับท่านให้ผลยินดีเท่านั้นแหละครับแหมมักน้อยจริงนะเธอสมบัติเป็นของนอกกายฮะนี่อย่ามาพูดดีหน่อยเลยท่านอุตส่าห์ใจดีซื้อของขวัญให้ทั้งที ก็หัดใช้สมองคิดซะก่อนแล้วก็ให้ตอบสิไม่ใช่มาบอกว่าอะไรก็ได้แล้วใครจะไปซื้อให้เธอถูกล่ะอืมไอยอย่างนี้ดีมากท่านดาจัดการดีมิคะเธอจะจัดการเรื่องอะไรแล้วก็เรื่องของขวัญของยิ่งศักย์ยังไงเลยคะเธอซื้อของขวัญให้ยิ่งศักย์ได้จริงๆล่ะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะแค่ของขวัญไม่ได้ยากเย็นอะไรนี่นาแค่เดินไปห้างซับสินค้า อยากได้อะไรก็ควักเงินออกมาซื้อแล้วก็ให้เป็นนักงานเอาไปห่อเป็นของขวัญท่านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ฉันกลัวว่ายิ่งเขาอาจจะไม่ชอบของในห้างก็ได้อ่าของในห้างรู้ที่สุดแล้วนะคะท่านขาถ้าอยากได้ของนอกห้างก็ต้องไปเดินแถวโบเบหรือไม่ก็พาหัรัดหรือไม่ก็คลองถมสะพานเหล็กแล้วแหละค่ะ เธอรู้จักสถานที่เหล่านั้นด้วยเหรอก็ อ, อย่าบอกนะว่า เ, <อ>เธอโตมาจากย่านนั้นนะอุ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคะ่ะท่านขาเพื่อนของดานะคะเขาชอบไปซื้อของแถวนั้นนะคะดาหน้าเตือนพูดจนปากเปียกปากแฉะแต่ก็ไม่มีเพื่อนคนไหนยอมฟังจนดาต้องเลิกคบไปเลยอะคะ่ะทำไมละ่ะก็คนพวกนั้นนะ่ะทตัวโลคลาสนสะิค่ะท่านขาโอ้ เธอไฮคลาสว่างั้นเหรอแน่นอนไม่อย่างนั้นจะได้มาเป็นพัญญาในพลตำรวจเอกชัยพี่ชัยฤทธินรงค์หรือคะแหมคันปากเสลึกเกินอยากจะด่าอีสตอรี่สลึกเกินหลงตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นไฮโซไฮซอที่ไหนได้ดูยง่าย่ังไงก็เหมือนอีเมียนหาประแดกขายตามสลัมโถ่ ดูสิใส่ตาของแกสิหันไปมองคุณยิ่งของเราอยู่เรื่อยเลยท่านตาหวานตัางหาช่างไม่กลัวท่านจะจับได้เลยอยู่ต่อหน้าท่านแทะนั่นเนี่ยนี่ถ้ารับหลังท่านแกคงจะวางแผนชั่วร้ายเพื่อง่าคุณยิ่งทำผัวแน่เลยไม่ได้เด็กค่ะเราจะต้องวางแผนที่แยบยลกว่าเพื่อขวางอีต้าประแดดนี่้สุดฤทธิ์สุดเดชเป็นไงเป็นกันคุณยิ่งก็เป็นหนุ่มในดวงใจของเราเหมือนกัน ถ้าคิดที่จะงาบคุณยิ่งทำผัวแล้วก็ข้ามศอกอีแจ๋วไปได้ก่อนเถอะ แ ก, แกเป็นอะไรเห็นแกเกรงมือทําเหมือนจะแปลงกลายเป็นแม่มดหักคอใครอย่างนั้นแหละอุย้ย ไ, ไม่มีอะไรค่ะไม่มีได้ไงฉันรู้นะว่าแกคิดอะไรอยู่อย่าชนะอย่าให้คุณเธอรู้ชนะแกจะไม่มีที่ซุกหัวนอนรู้ไหมนี่พวกหล่อนสองคนเน่ะกระซิบประซาบอะไรกันฮะอ๋อเปล่าเ่าค่ะคุณจันทร์จูดาเปล่าอะไรฉันเห็นหล่อนนะี่ยขยับปากกันั่นแจ๋วดินะ ก็ปรามดังแจ๋วสิค่ะมันชอบทําอะไรขวางหูขวางตาแล้วเกินเออแล้วไปข่าวนี้แล้วไปแต่อยากจะอบรมสั่งสอนพวกเดียวกันแล้วล่ะก็ช่วยย้ายก้นน่ะเอาไปพ่นน้าลายกันข้างนอกชถอะน่ะยะค่ะขขอโทษค่ะสมน้ำหน้าป้านะป้าอยู่ดีๆก็มาว่าทั้งทังที่ยืนคำหัวเจ้านายอยู่ในห้องอาหารกลิโดนซัดเจอปากของนางจันทร์ซุดาเข้า ก็คงจะหนาวไปอีกนานใช่ล่ะแต่เรานี่สิเราไม่มีวันกลัวหรอกเราต้องไม่กลัวตายสู้ๆอีแจวสู้ๆ อยากได้อะไรเหรอถ้าไม่ใช่ของในห้างนะฮะอะไรก็ได้ครับถ้าเป็นความกรุณาของท่านกับคุณจัสุดาผมจะดีเสมอฮะเช่นเป็นภพญาของท่านแล้วจะมาเป็นคุณหญิงแทนคุณหญิงคนเก่าเพราะฉะนั้นกรุณาให้เกียรติฉันด้วยนะขอโทษครับคุณหญิงอุ้ยไม่เป็นไรหรอกจ้ะ <laughs> เธอเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนดีจังอุ้ยท่านขาแบบนี้ท่านจะต้องสนับสนุนในยิ่งเนะี่ะ ให้เรียนสูงๆจนจบด็อกเตอร์เนี่ยคะแน่นอนอยู่แล้วล่ะฉันตั้งใจไว้แล้วล่ะขอให้ยิ่งมีปัญญาเรียนเรียนสูงเท่าไหร่ฉันก็จะสนับสนุนเต็มที่ขอบพระคุณท่านมากครับอ๋อฉันต้องไปทํางานแล้วนะ อ, อ๋อท่างครับือท่านจะไปแสดงความยินดีกับผมที่หมหาที่รหรือเปล่าครับท่านขึ้นก็จะไปน่ะนะแต่ถ้างานเร่งด่วนมาแล้วก็ก็คงจ ะ, ะไปไม่ได้หรอกก็รับปากเธอไม่ได้ ถ้าชั้นไปเธอก็จะได้เจอชันเอางั้นดีกว่าไหมครับท่านขอบพระคุณมากครับอ่ะชั้นไปแล้วนะด่เดินไปส่งท่านที่รถเลยค่ะจ้าน่ารักไม่มีเกินเลยจริงๆเธอเนี่ยอืมอืมท่านน้าอายขอนะคะไปเลยจ้าที่รักของชั้นค่ะท่านค่ะเอออยากจะอ้วกนะป้านี่นะโอ้ยไปซะเลยแก้วนี่ ตีต้นแขนแจวทำไมล่ะค ะ, ะก็ทำไมอ่ะมันใจแกน่ะสิอยากปากดีนักนังแจวให้มันรู้ซะมางว่าที่ต่ำที่สูงมันเป็นยังไงไปเล่นของสูงเดี๋ยวแกแกจะหาที่สุ ข, ขอนอนไม่ได้นังแจ๋วโท่ป้าบ่นจริงๆเลยเซ็งเลยอีแจ๋ว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 มีใครจะสนฉันบางหรือเปล่าอยู่ลำพังกอดกับความเศรกอดตัวเองมือทุกใจกอดตัวเองเพราะฉันไมมีใครกาบวันเวลาลือตัวที่พ้นผ่านคุมว่าเว ค, อค่อยคอยคืบคลาน อ, อ๋าแล้วเกิดจะมีใครรู้บางหรือเปล่าฉันแนาวจะจรถนใจฉันปวดราวกอดตัวเองมือหนวใจ t o a ตัวเ u งเพราะ me นไม่มีใครคอยปลอบตัวเ o งอยมืไรเขาคนนันเข้า ยอยากมีคนรักที่มั่คนคงมาฟังเพลงรักด้วยกันของไิ่ปล่อยก็เสียพงกอดตัวเองเมื่อเหงาใจกอตัวเองเพราะฉันไม่มีใคร จะอา k ช o วคำ n ิดงี่เง่าว่าจะอยู่คนเดียว Just because he's a g o d u เองทุ o o ันอยากให้เขาค n น, นั้นไ i ้เ o ้ามาเติมแต่ จ假装ง ที่ทุกคนต้องเดินรองที่ซับซ้อรอง ล, อ ง, ลองจนใจนั้นแสนเหนื่อยในโลกที่ความทุกข์ท้อใจได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยเรื่อยจนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นไรแต่ยงชีวิตยองผ่านยิงได้พบยิงเจอ กลับทำให้ฉันคิดในใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอจะคือกําลังใจเดียวที่มีไม่วานาทีไหนไหนฉันดีใจที่มีเธอแม้จะต้องพบอะไรฉันก็รู้และฉันอุ่นใจ ว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่นี้ในอุปสรรคที่มากมายในความวอดวันที่วุ่นวายอนาคตในปัจจุบันและอตในความ ที่ต้องเจอที่ไม่เคยพ้นไปสึกทีแต่ยังไม่รู้พรุ่งนี้ต้องเจอกับเรื่องใดแต่ยงชีวิตยังผ่านยิ่งได้พบยิ่งเจอกลับทำให้ฉันยิงคิดในใจฉันดีใจที่มีเธอ ฉันดีใจที่เจอเธอจะคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนๆฉันดีใจที่มีเธอแม้จะต้องพบอะไรฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้ กลับทำให้ฉันยิงคิดแน่ใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอจะคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านทีไหนไหนฉันดีใจที่มีเธอ แล้จะไม่เลือใครใครฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้ฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่กับฉัน กำลังติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัยนำเสนอโดยเนชั่นเอนเตอร์เทนเมนต์อ้าวคุณคะอะไรฮะคุณแต่งตัวจะไปไหนคะอ้าวหล่อนไม่ได้ยินตอนที่ฉันกับท่านอยู่ในห้องอาหารหรือไงฮะเออ ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคุณพูดอะไรกับท่านนะคะนี่หล่อนอายุมากแล้วความจำนัดเสื่อมหรือเปล่าฮะคุณทำไมถึงว่าป้าอย่างเนี้ยก็ไม่จริงนี่นะหล่อนนึกโง่เหมือนควายเอาเอะค่ะฉันยอมรับฉันฉล า, าดฉันก็คงทำงานที่ดีกว่าแม่บ้านไปแล้วหรอไม่โกรธคุณหรอกค่ะดีที่รู้ตัวอ่ะก็ลีไปสิคุณจะไปไหนล่ะท่านเพิ่งออกไปตะกี้นี่เองนะคะคุณฉันจะไปมหาวิทยาลัย ไปทำไมคะอ้าวก็ไปแสดงความยินดีกับยิ่งศักด์นะสิจ่ะวันนี้เขารับปริญญายังไงฉันก็ต้องไปแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับคุณเลยนะไม่เกี่ยวฉันเหรอใช่ค่ะหล่อนเอาอะไรามาพูดว่าฉันไม่เกี่ยวฉันน่ะเปลียบไปก็เหมือนแม่เลี้ยงของยิ่งศัก์นึกยักษ์หล่อนนั้นลืมแนละ้วหรือไงฉันเป็นพยาของท่านท่านเลี้ยงยิ่งศักมาลูกแทๆ้ๆเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องเกี่ยวในฐานะแม่เลี้ยงนะสิยักษ์แต่คุณยิง่ง มีคุณหญิงแม่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะนางเพ็ญหล่อนอย่ารีอ่านมางัดข้่ฉันนะระวังตัวให้ดีเถอะฉันจดทะเบียนสมรสกับท่านเมื่อไหร่ฉันจะเฉดหัวหล่อนเอกไปชนี่เป็นคนแรก <c oughs> ให้ถึงวันนั้นซะก่อนเถอะค่ะคุณขาแต่ว่าตอนนี้คุณยังไม่ใช่คุณก็แค่เมียบำเรอของท่านเท่านั้นเองนางเพ็ญหล่อนน้ำปากดีนะใช่ไหมไหนไหนไหนมันนี่เลยมันนี่เลยขอต้องสั่งส อ, งเอนเลยดินี่เยเฮ้ยชั เปนไงล่ะโดนตบสั่งสอนละคงจะสานึกมั่งนะห่อนฉันจะโทรไปถามท่านเดี๋ยวนี้ค่ะนังเพลนแกจะต่อกรเดี๋ยวฉันใช่ไหมเปล่าแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้นนะคะคุณจะทำโดยพลาการไม่ได้คุณมีหน้าที่ซื้อของขวัญให้คุณยิ่งเท่านั้นเองก็นี่ไงฉันจะแวะไปห้างซื้อของขวัญก่อนแล้วค่อยเลยไปมหาวิทยาลัยไงล่ะมาตอนรับคุณอ้าวยิ่ง ทำไมนะจ๊ะเออคือตอนนี้ผมยังไม่อยากได้อะไรจากใครฮะแต่ถ้าท่านยื่นมือให้ผมผมก็จะรับแต่ถ้าเป็นคุณผมไม่ขอรับเธอรังเกยียจฉันเหรอเปล่าก็าเปล่าทําไมเธอถึงพูดแบบนี้เพราะาผมไม่อยากโดนขรหาฮะคุณเป็นภรยาของท่านแต่คุณไม่ได้เป็นอะไรกับผมสักหน่อยทำไมจะไม่เป็นล่ะเป็นสิเธอเป็นลูกเลี้ยงของฉันได้ยิ่งขอบคุณที่เมตตานะฮะแต่อย่าดีกว่าครับเอาไว้คุณจะเตรียมสมรสกับท่านให้เรียบร้อยซะก่อน แล้วค่อยมาพูดอีกทีดีไหมฮะถามว่ายิ่งศักผมขอตัวก่อนละครับเออดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิ่งศักนี่เธอจะไม่ให้เช่นไปแสดงความยินดีกับเธอที่มหาวิทยาลัยจริงๆเหลยจ้ะก็ถ้าคนอยากไปจริงๆแล้วก็ก็ไปเพราะท่านเท่านั้นนะฮะขอตัวครับอะไรกันเนี้ยทาไมเช่นถึงไปไม่ได้ใช่นไม่เข้าใจเลยนี่คําอะไรยะนี่ค่ะเปล่าอะไรก็ฉันเห็นว่าหล่อน่ะหัวเราะล่าอยู่นี่ไง ก็ขำตัวเองไงล่ะคะขำตัวเองแ็ขำได้ยังไงขำได้สิคะพระเจ้าน่ะทรงขำด้วยแก่บ้าไปแล้วพระเจ้าจะทรงขำบ้าบอลในของแกถักว่วว้ย จะพูดเรื่องพี่ยิ่งให้พ่อของเขารู้มะพี่ยิ่งเขาว่ายังไงล่ะยังไม่ได้พูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะบอกพ่อเขาละมัง้งแต่ว่าเขารู้แล้วนะรู้อะไรหรอก็รู้ว่าพ่อเข า, าสายตามไม่ดีแล้วมองไม่ค่อยจะเห็นแล้วด้วยแล้วไงล่ะเขากลัวพวกพี่ๆของเขาฆ่าจะมีกล้ากลับไปแล้วก็ไม่กล้าส่งข่าวให้ทางบ้านรู้เลยฉันว่าพี่ยิ่งเนี่ยเป็นคนขี้ขาดตาขาวไปหน่อยแล้วนะ เธอก็ลองว่าเขาตรงๆสินึกว่าฉันไม่กล้าว่าเขาหรือไงก็รู้ว่าเธอกล้าว่าเขาเพราะเขายังไงก็ไม่เถียงเธออยู่แล้วล่ะทำไมล่ะเพราะว่าเพราะอะไรอ่ะฮะเพราะว่าเพราะว่าพูดมาเร็วๆเพราะอะไรเพราะพี่ยิ่งเขารักเธอยังไงละฝนเธอนี่เธอพูดอะไรอ่ะฮะก็ความจริงยังไงล่ะรู้ได้ยังไงล่ะรู้สิมองตาพี่ยิ่งก็รู้แล้วว่าเขารักเธอจริงๆเนี่ย หลังจากเขารับปริญญาตรีแล้วอาจจะมีข่าวดีระหว่างเธอกับเขาก็ได้นะใครจะไปรู้ตายจริงคิดได้ไงเธอเนี่เธอย <c oughs> ังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยเธออย่า <c oughs> มารู้ไปหน่อยเลยมีพูดด้วยแล้ว <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs> นี่รักกันให้มากๆากนะจ๊ะเพื่อนรัก